จเจริญพรญาติโยมนะครับฟังตามสบายก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่กับไม่เพราะว่ามีโรคส่วนตัวนะครับแต่ว่าโรคส่วนตัวนี้หายด้วยจเจริญสติอันนี้ผมเชื่อนะครับก็ชื่อพระสงบเนาะจักกะวะโรแต่เดิมชื่อสงัดแต่มาเปลี่ยนเป็นสงบชีวิตก็ต้องเพราะว่าแต่ก่อนทำอะไร แล้วเข้ามาบวดได้ไงก็เอาข้ า, ขาวไม่ไม่เอายาวเนาะเอาเร า, าข้าวชีวิตผมนี่ต่างกับต่างต่างกับหลวงพ่อรีบรับเลยเพราะว่าหลวงหลวงพ่อเอกวุฒิเนี่นะเพราะว่าท่านอาจจะอยู่ระดับหนึ่งสังคมเนาะแต่ผมอาจอยู่แบบชาวไร่ชาวนาต่างคนระดับเลยแต่ทําไมมันทุกข์เหมือนกันงีโอมชิดดรูรวยก็ทุกข์ได้จนก็ทุกข์ได้เพราะเราไม่มีสตินี่แหละก็ว่าโยมทุกคนต้องมีแต่ อาจจะไม่พูดความจริงใช่ไหมคนเรามันต้องมีทิฏฐิไม่กล้าพูดสังเกตก็คือก่อนจะได้ก่อนจะนก่อนจะได้มาบวชนทุกแต่ก่อนก็ทำงานอยู่ฝรั่งเศสเนาะหน้าตา ย, ยางี้ทำงานฝรั่งเศสจบจบแค่ป .6 นะครับแต่เพราะทุกเพราะจบจบแค่ป .6 เพราะทุกถึงได้นลนไปเมืองนอกที่จริง ผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะผมไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยผมจะมีความขยันรู้จักพลิกแพงทำงานอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากเท่าแก่ยัให้เป็นหัวหน้าตลอดนะอันนี้พูดความจริงผมก็เลยคิดว่าปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ต่างกันถ้าเราพลิกแพงตัวเราผมก็พยายามสังเกตเรื่อยๆนะก็คือไปเป็นเซฟอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ฮอยเฟลก็หน้าตาก็คือว่าที่แรกก็ไม่เปลี่ยนแต่อาศัยเท่าแก่ทาแล้วแล้วแอบมอง เนี่ยทำแล้วเท่าแก่เป็นคนลาวด้วยเขาไม่ค่อยถูกคนไทยฝรั่งเศสอยู่ติดหอไอฟเฟลเลยก็ทจริงเท่าแก่รับรองผมเป็นคนฝรั่งเศสนะผมกลับมาที่จะบันเรื่องแต่มันเปลี่ยนมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้ว่ากรรมหรือหรือบุญแต่ผมว่าคิดว่าบุญเนาะก็เหตุถึงจะได้มาอย่างนี้ก็เอาคร่าวๆก็คือแม่ตายเนาะพ่อแม่ตายหมดแล้วก็ ไม่มีครอบครัวคือตัวคนเดียวก็คือว่าแล้วเราจะหาไปทําไมอันนี้ข้อข้าวๆเนาะก็คือเ ร, เราจะหาไปทําไมมากมายคือเราหาความสุขให้ตัวเองบ้างก็คือร่างกายเนะี่ยเราเราทำมันมากๆแล้วที่จริงผมนี่ฟันปลอมนะที่จริงฟันปลอม <laughs> <laughs> นี่แหละแค่แค่อายุแค่สามสิบปัวนี่ชิดดูเอาเพราะว่าเราเรายังประมาทเราจะไม่มีสติครับผมนี่พูดตรงตรง ผมโดนจับอยู่ที่ฝรั่งเศสเนะจะพูดให้ฟังโดนจับโดนตำรวจจับเนี่เอาข้าข่าวว่าวผมเป็นอุปทานเนยอะโดนจับเรื่องอะไรขี่จักรยานผิดเลนนี่ก็จ <c oughs> ิตจักรยานผิดเลนแล้วก็ทําไมถึงโดนจับพูดไอ้วันนั้นไปซื้อเส้นข้าวปุ้นรู้จักข้าวปุ้นขนมจีนไหม <c oughs> อ่าอย่างเงีขี่จักรยานไปแล้วโยม พ, พี่สาวนี่ต้มน้ํารออ่า วันนั้นต้มน้ําเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกจนแห้งแต่ผมโดนจับเขาเขาเลยเอใจว่าต้องใช่แน่เขาเขาเขาก็มาผมตํำรวจก็ถามนะว่าคุณมาได้ยังไงพูดภาษาฝรั่งเศสเนาะเราก็อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อย่างเดียวอุ้ยก็คือคําว่าคับคับโนโน่อย่างเงี้ยเขาก็เลยว่าอะไรบ้างมีแต่อุ้ยอุ้ยกับครับอย่างเนี้ยเขาก็เลยจับไปเลยห้าคนล็อกแขนไปเลยเขาก็เลยถามว่ามึงอยู่ประเทศอะไรไหมเขาว่าเวียดนามไหมลาวไหมจีนอวไหมเขาถามไปมาผมก็โนโน่น่อย่างเดียวพรอมบอกว่า บางกอกเอุ้ยอุ๊อุบางกอกบางกอกเขามันก็เลยหาล่า ม, มาเลยคนไทยเขาก็เลยบอกผมว่าผมโดนจับเพราะถีบจักรยานผิดเลนแล้วแต่แต่งตัวเหมือนพวกแขกขาวแล้วเราพาูดภาษาไม่ได้ก็เลยโดนจับเขาบอกว่าเขาถามเราว่าอยู่ประเทศไทยเป็นยังไงเขาถามเราเราเราซีเรียดมากในะช่วงนั้นเขายังมาถามว่าโอ้คนไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้เขายอมรับว่าคนไทยดีแล้วเขาก็เปิดสถานที่ตรงวัดนั้นวัดนี้ดูให้ดูเรายังตอนนั้นเราเราซีเรียดอยู่นะ เขาถามเราอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ายังไงก็โดนจับแล้วกับก็คือกลับเขาเขาก็ต้องส่งกลับใช่ไหมแต่เราก็มีความเมตตาในตัวเราเราต้องทําหน้าให้มันทุกขี่สุดก็คือว่ากูไม่น่าเลยไกูไม่น่าที่จักรยานให้มาอย่างนี้เลยโดนจับเพราะอย่างเงี้ยเขาเขาก็สอบเราหมดนะว่าอยู่เมืองไทยเคยโดนปิดคุกไหมเคยอะไรเขาถามหมดเลยนะแล้วพ่อแม่หรือไงเขาก็ถามหมดเลยแล้วคุณ แล้วคุณมาทํางานที่นี่คุณต้องการอยู่ที่นี่หรือคุณคุณมาหาเงินแล้วคุณกลับบ้านผมพอเลยบอกว่าผมมาแค่หาเงินแล้วมีเงินใช้นี่หมดแล้วผมก็จะกลับบ้านเขาก็ปล่อยนะเขาบอกว่าในเมื่อผมจับคุณแล้วเขาก็ต้องจับยี่สิติดยี่สิบยี่สบแปดชั่วโมงเนาะติดคุกยี่บแปดชั่วโมงดีเขาไม่ขังรวมมีแต่พวกฝรั่งนี่โกเต็มเลยก็วันนั้นก็ติดคุกยี่แปดชั่วโมงเพราปล่อยออกมากลับบ้านไม่ถูกมันเบื่อกลักลับไม่ถูก จับจั ก, กรยานลกจะกลับบ้านไงแล้วกลับไม่ถูกเพราะว่ามันเบอรอ ม, มันมันสั่นอะ่ะแล้วแล้วพอกลับไม่ถูกพอจำป้ายได้ก็กลับขึ้นมาแล้วผ่านตรงตรงตำรวจที่จับอย่งไงโอเอาแล้วกลัวไงนี่แหละแล้ววันนั้นผมจะข้ามถนนนะมันมันเจออุปท า, านบอกว่ากูจะตั้งใจแล้วกูจะจูงจั ก, กรยานใครว่าจะเข็นจักรยานให้ให้มีมีสติอย่างเงี้ยไปหคว่ามันมันมีตํารวจไงเราอุปท า, านคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้รู้ไม่อะไรเกิดขึ้น พอจะข้ามถนนขาอ่อนลงเลยล้มลงเลยอะ่ะมันมันเป็นอย่างเงี้ยผมมาเป็นอย่างนี้ตลอดมันมันก็เลยไม่แปลกว่าที่ที่ที่หลวงพ่อเปิดทีไม่ฟังอะไรที่ว่าคนเป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วมึงจะสั่นแต่ก่อนผมจะมือสั่นอ่างี้ยนะผมพูดหลวงพ่อฟังมือสั่น่านี้เลยแต่มันเจริญสติหายผมเลยมั่นใจตัวนี้ว่ามันต้องมีดีอย่างนี้แหละผมผมเลยศึกษามาเรื่อยๆผมก็เลยเข้ามาบวชก็ครูบาอาจารย์บวชให้ ก็ได้มาบวชแล้วก็ไปทุดงทั้งหมดก็หครั้งอยู่ในฐานแล้วก็ไปทุดงไปเรื่อย่งเงี้ยก็ก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ส่วนมากจะหลงมากความความิดนี่แหละความคิดเราคิดไปมากก็พอเข้ามาบวชไปเก็บอารมณ์อยู่เอาเอาหลังสุดเลยเนาะอยู่วัดอยู่วัดเต่าั น, นดอยเต่านี่แหละวัดทรรมม่อหลวงพ่อท่านก็ไปสอบอารมณ์ เพราะว่าอยู่สูงกว่าเขาท่านก็ไปสอบรมพอท่านก็ไปสอบรมถามทุกอย่างแหละส่วนมากท่านก็จะถามไปเรื่องเรื่องท่านจะไม่ถามเรื่องปฏิบัติโดยตรงก็บอกท่านว่าใจก็อยากไปอยากจะมาอยู่กับท่านอยู่ค่อยๆอยา่าอยา่อยามาศึกษาเนาะว่ามามามาดูครั้งหนึ่งแล้วบรรยากาศ ก, าก็ผมชอบอย่างนี้ก็เลยขอมาศึกษากับท่านรู้ไหมวันนั้นจากป่านี่เจ็บอารมณ์เกือบเดือนนึง ป่านะแล้วมีพวกสัตว์พวกอะไรพวกวัวอะไรนี่ธรรมชาติมากพอตื่นเช้ามาเป็นอะไรรู้ไหมมาเจอฟิวเจอร์ลังสิีแปลกไหมหลวงพ่อสอบปรหลงไม่ธรรมดาฟิวเจอร์รังสิีก็คือท่านให้ผมเป็นโงที่นั่นท่านจะมาช่วยงานนี่แหละอาสมสินแล้วแล้วคิดเอาว่าเราอยู่ในป่างั้นน่ะแล้เราเดิเด น, เ ด, เ, ดน เ, ดเดินแบบถนนแบบมีหินมีอะไรใช่ไหมมันต้องเดินแรงเงี้ยแล้วมาเจอบ้านอย่างเงี้เยเราเดินย่องอย่องเงี้ยมันมันต้องปรับสภาพหน้าดูก็คือเราต้องปรับสภาพ ให้ได้ก็คือไปไหนก็ช่างปรับสภาพตัวเราให้เข้ากับกับตรงอย่างเงี้ยให้มันเร็วที่สุดก็คือเหมือนอย่างโยมมาจากห้าวันอย่างเงี้ยต้องทําให้ปรับสภาพให้เร็วที่สุดที่เหลยอเราจะได้รู้อาการเราจะได้เร็วไงนี่แหละผมผมทํางานกับหลวงพ่อที่ท่านจะใช้อะไรนี่ผมไม่เคยบน่นเนี่ยที่ท่านบอกมาโทรไปบอกว่ามาเลยผมก็ทิ้งงานตัวนั้นแล้วก็มาเลยแล้วไม่เหนื่อยนะแล้วคืนนั้นไม่ ไ, มได้นอนด้วยท่านก็ถามว่าไม่ไมเหนื่อยแล้วผมก็ว่าไม่เหนื่อยทําได้เนี่ย ถ้าเราทํางานทําทําตัวนี้ได้แล้วไปทํางานมันจะไม่เหนื่อยโ ย, ยมโยมอยู่ว่าเขายังถามเลยลุงปี้ไม่เหนื่อยเด้อเดินได้ทั้งวันเลยเขาถามไงเขาบอกว่าผมเดินได้ทั้งวันเราก็แปลแกว่าเราไม่เหนื่อยเราทํางานแล้วเรามีความสุขไงคือคือมันไม่ต่างกับการเดินจงกรมนะแต่เราผิดแค่ว่าคล้ายๆว่ามันมันเป็นการทํางานอย่างเงี้ยเดินได้ทั้งวันเดินทํางานเนี่ทําคนเดียวใครว่าคือเราไม่อยากแกใคๆว่าไม่อยากแก ใช้นคนนั้คนนี้บางทีมันไม่ถูกใจนะเราทำคนเดียวมันสบายใจอย่างเงี้ยเราก็ ท, ทําของเราได้แล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่ไม่ปบน่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่บ่นเลยนะมันทําแบบมันสบายใจอ่ะโยงเขาเลยถามว่าผมเดินได้ทั้งวันเราอันนี้เราเราสังเกตมาตั้งนานแล้วที่ที่ทเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราทําอย่างนี้ก่อนแล้วมาไปทํากับงานแล้วมันจะเป็นแล้วมันจะไม่เหนื่อยเนี่ยที่แล้วแล้วเขามาสอบอารมณ์เรา MORE บ่อยด้วยนะตรงเนี้ยผมสังเกตผมขึ้นแท็กซี่มาครั้งสุดท้ายนี่ แล้วมันไม่ใช่แท็กซี่ด้วยมันเป็นรถเก๋งแล้วเอาจะพูดให้ฟังแล้วผมดูอารมณ์ผมตอนนั้นว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเรียกผมอยู่หมอชิดนี่แหละแล้วผมก็ผมก็นึกว่ารถรถแท็กซี่เนาะพอมาแล้วมันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนผมไม่ยอมนะจะลงรถหรถือจะหนีไปเลยแต่งวก น, นี้ก็คือเออเ อ, อง่ายๆมันง่ายพีปหมดนะเรื่องพวกนี้ผมก็เชื่อพอขึ้นมาแล้วเขารับคนโดยสารอีกสองคนเนี่ยม า, มาส่งที่เนี้ย แปลมันเป็นแท็กซี่มันไม่ใช่แท็กซี่แต่เป็นรถเจ๋งอ่าแล้วผมไหนๆก็ขึ้นแล้วก็ถามเลยตกลงโยมทําอย่างนี้แล้วเขาได้ได้ยังไงได้เสียอะไรไหมเขาบอกว่าเสียเดืยนละห้าร้อยเออเราก็ถามเขาทำมาได้แหละแล้วค่ารถรู้ไหมเท่าไหร่อันนี้จะพูดให้ฟังก็ข้าวเนาะค่ารถผมมาแจากหมอชิดมาเนี่ยสามรอยแปดสิบอ่าแต่คนมาข้างหลังแค่ร้อยสี่สิบนีผมเลยว่าสังคมทุกวันเนี้ยมันยากเนาะที่จะมีความจริงใจต่อกันเนาะ ผมก็เลยว่าโอ้ทุกวันนี้นี่มันยากผมผมก็เลยบอกว่าเข้ามามองตัวเองนะว่าแล้วเราจะออกไปอย่างเงี้ยเราเห็นสังคมอย่างเงี้ยเราเราไม่เบื่ออันนี้พูดถึงกับตัวเองนะพูดถึงสําหรับผมผมเลยเบื่ออย่างนี้มาตลอดเพราะว่าผมโดนนี่โดนมากคือสําหรับผมนะั้นโดนโดนมากผมก็เลยว่าพูดยังไงว่าเข็ดหลาบอ่ะคือคือไม่อยากจะออกไปอีกเพราะว่าพอแล้วชีวิตเท่านี้ก็อยากให้ความสุขตัวเองบ้างคือว่าร่างกายเนี่ยที่เหลือนี่คืออยากช่วยหลวงหลงพ่ออะไรต่างๆเลยที่ท่านใช้คือ เราทำตนให้เป็นประโยชน์ให้สังคมหรือให้พระพุทธเจ้าที่เรามีตัวอย่างเงี้ยใชใ้เป็นผมผมอันนี้ความคิดผมนะคือผมจะทำมาตลอดแต่ดีไม่ดีก็แล้วแต่เราจะใช้แล้วความรู้สึกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีพลังพลังแบบไหนมันสามารถให้เราปล่อยวางได้ผมก็แปลกใจนะแต่ก่อนผมจะมีความโลภความโกรธความหลงต่อก่อนมีแต่ตอนนี้มันมันเริ่มหายไปทีละนิดอนะแล้วเรามั่นยิ่งมามั่นใจตัวนี้อีก ผมเชื่อว่าโยมที่นี่มีหลายคนที่มาติดต่อกั น, นี่มันต้องได้รับสัมผัสอะไรอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วเรามั่นใจในตัวเราว่าเราทําแล้วมันถูกอ่ะมันถูกทางอ่ะยิ่งมากับหลวงพ่ออย่างนี้มันมันมั่นใจอ่ะนี่แหละก็คือว่าผมจะไม่สนอะไรใครก็คื อ, คอทําำขอให้รู้สึกชี้ชัดรู้สึกชี้ชั ด, ชดแล้วทำไปเถอะไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะสะสมเองมันเหมือนน้าอ่ะถ้าเราอันนี้หลวงพ่อสอบอารมณ์ผมบ่อยอ่ะโสดก็มีมีเยอะผมกลับมารู้ใจว่ามันกระเพื่อมหรือว่าอะไรมันจะแรงไหม ถึงถึงมันจะมีแต่มันลดเร็วอะ่ะผมก็เชื่อเออมันใช่อ่ะเราเรายิ่งทํายิ่งถูกไปเรื่อยอันนี้ผมเชื่อเลยนะผมก็เลยมั่นใจก็ขอให้มันมั่นใจกว่า น, นี้ก็เลยช่วงนี้ก็ยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ก็พูดแค่คร่าวๆที่ที่ได้สัมผัสอารมณ์นี้แต่ที่กินก็ได้สัมผัสเยอะจะมีเรื่องเล่าเยอะมากว่านหลวงพอ่อคือคนนั้นคนนี้จะพูดแต่เรารู้สักปล่อยวางว่าปล่อยวางได้แล้วเราไม่ไปให้ร้ายใครเราจะเป็นกลางตลอดก็คือว่า ท่านแต่ไป่ว่าคนนั้นแล้วท่านกลับมาดูตัวเองก่อนผมจะพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจะไม่ไปยุคนนั้นให่ผิดกันเขาจะเป็นยังไงก็ช่างท่านต้องดูตัวเองเราก็จะเจ้าบอกแล้วว่าให้ก็คือว่าให้ดูทุกขเราทุกเพราะอะไรเพราะไปยุ่งกับคนอื่นอันนี้ผมจะจําได้เลยว่าผมก็บอกคนไหนมาถามผมเอาเรื่องเรื่องนั้นมาพูดผมก็จะพูดอย่างนี้เลยว่าเรามาศึกษาทุกแล้ว เ, เราจะเปลี่ยนเรื่องคนอื่นมาทําไมผมจะพูดอย่างนี้ตลอดนะไม่ว่าใครก็คือว่าเราต้องให้เป็นกลางแต่ก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนี้ ก็คือว่าพอพอเราเริ่มวางแกได้แล้วแล้วทุกอย่างมันเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยอะ่ะมันเริ่มมีความสุขความสุขลึกๆไม่ใช่ความสุขแบบเป็นแบบญาติโยมนะความสุขแบบธรรมะคือถึงถึงเราจะทำงานไงแต่เรามีความสุขผมผมก็เลยมั่นใจมากทือคือมาทางเนี้ยก็เลยทำมาเรื่อยอย่างนี้แหละหลวงพ่อใช้ไงทาหมดรือไม่เกี่ยงขอให้เราใช้ขอให้ท่านใช้คือไปไปหมดพูดง่ายๆว่าไม่กลัวตาย คือว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วพูดง่ายเนาะพ่อแม่ก็ไปหมดแล้ว อ, อะไรก็ไปหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวเนี่ยคือสู้เลยอย่างเงี้ยถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันจะมั่นใจเนี่ยผมผมก็เลยมั่นใจแล้วแล้วที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยวันนั้นผมไม่ได้ฉันข้าเลยนะแต่พูดให้ฟังที่โรงฟิวเจอร์ฝังหลังสิ่งหลวงพ่อสอบปริญเนี่ยแล้วคนไม่ใช่น้อยนะเกือบไม่ใช่น้อยเป็นเกือบ เ, เป็นพันแล้วเราเป็นพระเราลงรถเนี่ยเขาก็ต้องมองใช่ไหม มันเหมือนเป็นสิ่งแปลกใช่แหมอะไผมผมรู้ด้วยแต่ผมกลับมามองใจอีกว่ามันเป็นยังไงมันตื่นไหมมันพิจารณไหมผมจะมองอย่างนี้เข้ามาดูใจก่อนแล้วตำรวจก็อยู่ข้างหน้าก็อาจจะมาถามเราก็ได้ว่าใช่พระไหมเราก็ชิดไปเนาะตรงนั้นเนาะพอพอสักพักหลวงพ่อท่านก็โทรมาบอกว่าก็อะไรอย่างเนี้ยท่านบอกว่าถึงไหนแล้วผมก็ว่าถึงแล้วหลวงพ่อท่านก็ลดลงสนามบินนนเมืองเนาะแล้วกลับมามารับผมจิรเจรังสิทธิ์ฮะ คุเขามองอย่าว่าผมขึ้นรถโรงเรียนรุ่งอรุณอะพระทำไมมาขึ้นผมก็งงนะแล้วรู้ไหมผมผมขึ้นแล้วหลพ่อท่านสอบลมแบบไหนท่านแต่ที่ท่านจะถามว่าอย่างนั้นท่านไม่ถามนะอ้าวสงบสงบสอบเสี้ยวัวซาให้หน่อยท่านบอกว่าคัวาซาัวซาแล้วจากคัวซาไหมเออขนะดอ้าวครัวก็กลัวเราเราก็คิดเป็นอ้าวครัวก็กลัวว่าอย่างงี้ไงเออท่านจะทําให้จิตเราเปลี่ยนแค่ว่าเราอัติเชื่อย่างนี้ถ้าท่านแต่แต่ผมก็รู้ว่าคือการสอบรมหรือว่า เราต้องทําให้จิตเราเปลี่ยนจะไปแช่กับสิ่งอะไรก็ช่างสังเกตนะนี่แหละผมท่านสอบประลมผมเรื่อยก็คือทุกอย่างก็ช่างอ่ะให้เราคล้ายว่าให้เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไหมเพราะว่ามันได้แค่นี้เราแต่เราจะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละออกสิ่งที่มันดีเราก็ศึกษาไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วให้ว่าให้เราศึกษาทุกอย่างก็ช่างให้เป็นคิดว่าศึกษาอย่ามาคิดว่าจะทําจะเอาให้ทุกอย่างเป็นศึกษา แล้วมันจะรู้จักวางวางใจได้เรื่อยๆผมผมจะสังเกตตัวผมการปฏิบัติจะถูกไม่ถูกก็ช่างแต่ผมสังเกตตอนผลลัพธ์คือจิตใจเราสามารถปล่อยวางได้ไหมใจเย็นไหมอันนี้ผมสังเกตตัวนี้นะแล้วมีความเมตตามากแค่แค่ไหนอันนี้ผมสังเกตตัวนี้ว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มันตรงกันมันทําถูกอันนี้ผมก็คือผมมั่นใจในตัวผมนะเพื่อว่าผมรับผมก็พูดออกไปอย่างนี้ครับก็ สุดท้ายนี้เนาะคงไม่มีอะไรก็ <c oughs> ขออยากให้ญาติโยมตั้งใจเพราะว่าที่ผมสังเกตมานี่ครูนี่ทิฏฐิไม่ค่อยมีเนาะสังเกตดูจ ะ, จะยากผมผมยังแปลกใจเลยพูดกับหลวงพี่เอฟแต่คนอีสานนี่ยจะเยอะอะแต่คนที่ไม่มีถ้าถ้าเกิดครูปฏิบัติได้แล้วเห็นธรรมหรือว่าเห็นกับตัวเองก่อนถ้าเกิดไปสอนกับ น, นักเรียนเนี่มันจะไม่ธรรมดาก็คือว่าชีวิต ของประเทศชาติหรือว่าอะไรก็ช่างเนี่มันจะอยู่กับครูถ้าถ้าครูตั้งใจทําจริงแล้วก็เห็นผลนี้ก็คือเห็นผลก็คือการกระทํากับองโยมแล้วมันมั น, ม, นมันได้ผลลัพธ์นั่นแหละคือท่านทําได้แล้วอันนี้ผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมจงตั้งใจแล้วจงเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างทุกท่านทุกคนเทินได้ฟังไหม เพชรล้วนๆเลยนะไม่มีปนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งใจศึกษาสัมผัสของจริงเนี่ยมันพูดจากใจเนี่ยไม่ได้พูดจากคำพูดนั่นคำพูดหลวงพ่อเทียนก็ื่ฟังท่านถ้าจะเอาคำพูดไปหลังเนี่ยไม่ เ, เรียกว่าไม่รู้เรื่องแต่เอาใจที่ท่านแสดงออกมาทางคำพูดไปหลังเนี่ยเราเห็นเลยว่า ถ้าธรรมะแท้เนี่ยมันจะใจสู่ใจนะไม่ใช่คำพูดสู่ใจใจสู่ใจความรู้สึกสู่ความรู้สึกแล้วมันจะเข้าใจเองโดยที่ไม่ต้องไปหาคำอธิบายธรรมาได้อ่านหนังสือหลวงพ่อนิโรธธรรมรังสีเรื่องลุงปู่บูเทศเนาะอ่าหลวงพูเทศเ น, นี่แม่มคนหนึ่งที่มาจากอังกฤษเนี่ยฟังภาษาไทยก็ไม่เป็นนะ พูดเสถยไม่ได้แต่ฟังท่านนั่งฟังท่านเทศแล้วเข้าใจทุกที่มีอยู่มาเดนมันมันมันหายไปเลยเมื่อกีอทั้งที่ฟังคือนี่ภาษาใจภาษาที่ใช้ภาษากายเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ภาษาใจรู้เรื่องดังนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเป็นธรรมะที่แทจ้จริงเราจะฟังด้วยใจนะ เราจะไม่ฟังคำพูดคำพูดนี่มันมันเหมือนมันเหมือนกระดาษห่อของอะใช่ไหมแต่เราจะกินจริงๆแล้วไม่ได้กินกระดาษนะเราไปกินของที่เราหอ่อจะเป็นข้าวเป็นผลไมล้อะไรต่างเหมือนกันคำพูดมันมอนกระดาษห่อของมันผ้าห่อของนะแต่ของที่เราใช้จริงๆคือสิ่งที่อยู่ในผ้า มันก็นสมุตทั้งหมดอะมัเหมือนกับสิ่งที่ห่อหุ้มปรมตัตปรมัตคือภาษาองความรู้สึกนั่นเองเพระ า, าพระฉะนั้นเราจึงปฏิบัติเนี่ยเพื่ออ่านความรู้สึกตัวเองพออ่านความรู้สึกตัวเองออกบอกความรู้สึกตัวเองได้ใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นเห็นความตัวเองเป็นชัดและจัดความรู้สึกตัวเองถูกแล้วสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดียรงในความรู้สึกได้เนี่ยโอนั่นแหละนะที่กาปรปฏิบัติฮะเริ่มต้นจะบอกใจตัวเองได้ ว่ามันจะเอาอย่างนี้บอกมันไม่เอาได้ไหมมันจะไม่เอาอย่างนั้นบอกมันเอาได้ไหมบอกใจตัวเองได้ใช้ใจตัวเองชัดใช้ใจตัวเองเป็นใช้มันเป็นอันไหนที่มันจะนําทุกมาให้ยไปใช้มันนี่เราใช้เป็นแต่คนเราส่วนใหญ่เป็นใช้ไม่เป็นใช่ไหมทางไหนที่จะนําทุกมาให้ใช้ไปทางนั้น่ะทางไหนที่มันจะไม่ทุกอ่ะไม่ค่อยใช้ี่ใช้ใจตัวเองเป็นเห็นใจตัวเองชัด เห็นชัดๆว่าขนาดนี้เขาอยู่ที่ไหนมียมถามกัางวันนี่จิตมันมาจากมันอย่างสมองเราคิดเนี่ยแล้วจิตมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่อ่ะนมาเขาชี้ไปที่หลอดไฟยมเห็นหลอดไฟไหมไปแล้วเปิดขึ้นเนี่ยไฟสว่างใช่ไหมนะฮะแสงสว่าง เปิดเราสำเร็จประโยชน์ใช้ได้แต่ไม่จําเป็นต้องรู้ว่าแสงสว่างมาจากไหนเพราะมันสําเร็จเรียบร้อยแล้ะฉันใดก็ดีเวลาเราใช้ประโยชน์กับให้ให้รู้ลงไปในสิ่งที่เราทำไม่ต้องไปรู้ว่าไอตัวรู้ที่เราสิ่งกำลังทําเนี่ยมันมาจากไหนของร่างกายมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปรู้เพราะมันสำเร็จประโยชน์เพราะงั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมาหยิบของอย่างนี้ได้หล้วนะมันอยู่ทุกจุดแล้วแต่เราจะใช้มัน นายสมมติว่าตอนนี้นเราตั้งใจฟังความรู้ก็อยู่ที่หูใช่ไหมตอนนี้เราตั้งใจดูความรู้ก็อยู่ที่ตาาความตัวนี้เรามาสัมผัสยีแล้วอ่อนแข็งความรู้ก็อยู่ที่ตัวอตอนนี้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรู้ก็อยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมันแค่เปลี่ยนไปตามจุดที่เราใช้มันเหมือนไฟอะ่ะเราต้องการใช้จุดนี้ก็ติดจุดนี้หลอดต้องการใช้นู้นจิตตูนหลอดนะแต่ไฟมาจากกําเนิดที่เดียวกันหรือคนละที่ แห ล, งล่งกเนิดไฟที่มาเราเปิดเนี่ยมันมาคนละที่หรือคนละที่เดียวกันมาที่เดียวกันนั่นแหละคือมาจากตัวที่เดียวกันดังนั้นเองแต่ว่าเราเอาผลที่ใช้ออกมาเป็นตัววัดไฟนั้นจะมีมากมีน้อยจะรู้ที่ผลมันปลายหมดไฟนี้พอไม่พอดังนั้นเองเราจึงมาเจริญความรู้เนี่ยเพื่อเป็นการสั่งสมแหล่งพลังงานเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่เข้าไป อนะาตีเขาหม้อไปแต่เวลาเราจะใช้เมื่อไหร่นี่กดเอาเปาะเลยสวิตช์ออนเลยแล้วก็ใช้ได้ตามของการแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการชาร์จเนี่ยถ้าต้องการใช้ไฟขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไหมไม่มีไฟเพราะไม่มีการชาร์จไม่มีการบรรจุแล้วก็ไฟเนีสืบลงไปสืบลงไ ป, ป, งไปแหล่งกําเนิดมาจากสูมติมาจะกเขื่อนกันเนาะมาจะกเขื่อนเขื่อน มีอะไรกัน้นเขื่อนตัวแดมกั้นใช่ไหมเดมตัวนี้ก็คือตัวสตินั่นเองสติเตสังนิวารณนังสติเป็นเครื่องกัน้นการไหลลื่นของจิตน้ํามันโตกมันไหลใช่ไหมเราก็สร้างขื่นหักั้ น, มนเมื่อกั้นเราต้องการปริมาณน้ำเท่าไหรถ้าปริมาณมากพลังก็สูงปริมาณน้อยพลังก็ต่ําทีนี้เมื่อถูกกัน้นเม็ดฝนคืออะไร เม็ดฝนคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปรวมที่แองคือใจไปรวมที่แองตัวนั้นแล้วมีสร้างสติขึ้นมาแต่สมัยก่อนที่พุทธเจ้าไม่ตรัสรู้หรือตรัสรู้แล้วเราไม่ได้สร้างเขื่อนตัวนี้เวลาสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกกายใจก็มันมันก็ไหลไหลไปทางไหนน้ําไหลไปทางสูงหรือทางต่ําทางต่ําเมื่อไหลไปทางต่าางตําแล้วจาก ที่สูงไหลลงห้วยน้องคองบึงไหลลงทะเลมาหาสมุทรใช่ไหมแล้วกลับนำมาใช้เหมือนเดิมน้ำปกติทั่วไปได้ไหมใช้ไม่ได้ในขณะที่ไหลไปมันก็มันทุกเอาความขุ่นเขี่ยวสโครกไปสารวัตรอย่างจิตของเราเมื่อกระทบตาหูจมูกลิ่นกายใจมันก็จะไหลออกมาเป็นความคิดไหลลงไปไหลลงไปไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงบาปอกุศลไปจนไปใช้ไม่ได้ไหลไปสูตนแรกวันลงมาจากพรม ใช่ไหมตุลฝนเขาเรียกพรมอาจารย์ตุลฝนไหลลงมาจะเป็นเราไม่มีสติกั้นมันก็ลงมาเป็นเทวดาพอมาถึงเทวดาไม่มีสติกั้นก็ลงมาเป็นมนุษย์ลงมาเป็นมนุษย์ไม่มีสติกั้นลงมาเป็นคนเป็นคนแล้วไม่มีสติกั้นลงเป็นเดชฉานลงไปฌานไม่มีสติกั้นอีกลงมาเป็นอสุรกายพอเป็นสุรกายไม่มีสติกั้นอีกลงมาเป็นเปรต พอลปเปรียไม่มีเสดิจกันอีกลงไปถึงนรกเป็นมหาสมุทรเลยทีนี้บนนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งคนที่ตกนรกเหมือนกับมหาสมุทรถูกแสงแดดแสงแดดก็เผาพื้นผิวมหาสมุทรกลายเป็นอะไรไอ้น้ําไอ้น้ํานี่ก็ไปรวมกันบนฟ้าอีกไอ้น้ําที่เะเหยจากมหาสมุทรมันมันกับไอ้น้ําที่เลอะเหยจากบนหน้าเขื่อนเนี่ย ลถเหมือนกันไหมคือลดเลยลดจืดแต่แหล่งมาจากกันใช่ไหมต่างๆกั น, กนคือมาจากทะเลกับมาจากแต่พอถูกเผาแล้วลดเดียวกันฉันได้ก็ดีจิตนั้นไม่ว่าจะ <c oughs> ดูรู้นั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามภพภูมิที่สูงภพภูมิกลางภพภูมิจำก็ตามเมื่อได้รับแสงสว่าง แผลเปาคือสติสมยะศาสาศสองลงไปเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้ออกมาจากแต่ละคนไม่ว่าชั้นสูงออกมาอันเดียวกันคือรสแห่งความเป็นกลางถึงแม้ว่าไอเลือเหยจะเละเหยจากทะเลแต่ไอมันก็ไม่ได้เข็มไอนั้นจะเละเหยจากเล็กจากเขื่อนไอก็ไม่ได้จืดมันก็รวมเป็นน้ําอันเดียวกันแล้วก็ตกมาเป็นน้ําน้ําจืดน้ำฝนใหม่อ่ ดนั้นเองจิตของเราจะผ่านแล้วมันก็ตามแต่เมื่อได้รับแสงสว่างแล้วมันจะกลับมาเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งจุดนี้จึงอยากจะให้เราแสงสว่างจากใครจากตัวรู้ของเราเองซึ่งพุทธเจ้าค้นพบและพุทธเจ้านำมาบอกไม่จําเป็นว่าต้องรอเกิดภาะสีอานพุทธเจ้าสีอานมาเกิดว่อนฉันจะไปเกิดร่วมเพื่อจะได้ฟังธรรมะจากท่านอันนั้นเป็นคําอุปปมาเป็นปริศนาเฉย คนที่จะมีพุทธะเกิดขึ้นในใจมีคุณทําส ม, มการ1นสีหรื อ, อ, อรศีล2อริยสัจอริยะ3เมตตาเอามาบกวกกันเข้าเป็นสันสกฤปเป็นสีอริยเมตไตรให้มีศีลมีอริยสัจคือปัญญาแล้วก็มีเมตตาศีลคือบริสุทธิ์ที่คุณอริยสัจคือปัญญาคุณ ไม่ตาคือโคริาที่คุณคุณสามอย่างนี้ของพุทธิเกิดในใจของเราก็เป็นอระพุทธิาองค์หนึ่งในใจของเรานี่เองไม่ใช่ไปรอเกิดมาหลังห้าพันปีไปแล้วอันนั้นอตำราเขาวาไวเอาวางเป็นรหัสเอาไว้เฉยแต่เมื่อเรามาปฏิบัติวิปัสนาอสีก็คือศีในรักษาศีอริยะก็อริยสัจคือรู้จักวิธีการดับทุกเหตุทุกทุกมาจากอย่างไรเหตุเกิดทุกอย่างการดับทุกทําอย่างไร รู้แล้วก็ดับทุกได้พอดับทุกได้มันก็นึกถึงคนอื่นที่ทุกเหมือนเรามาก่อนเอเราจะช่วยเขาได้ยังไงเราก็ลงไปช่วยเขาเป็นกรุณาหรือเมตตาเป็นสีอ ะ, ะเรียมิตาเป็นพุทธเจ้าองค์น้อยๆขึ้นในตัวเราพุทธเจ้าองค์นี้เรียกว่าสาวกพุทธะแต่ไม่ใช่สมาส ม, าสมาสมุทาสมมาสมุทาท่านพบทางแล้วบอกให้เราเราทําตามท่านเราก็เป็นผูุ้ทธะอีกองค์หนึ่งเรียกว่าสาวกพุทธะ หรือรูอ้อจากสาวกพุทธะไปก็ไปเรียนรู้เองศึกษาตามคำสอนของท่านเป็นอนุพุทธะได้ดูตามเห็นตามฟังตามปฏิบัติตามแล้วเป็นพุทธะขึ้นมาโองนึ่งแล้วเป็นศึกษาเห็นเองแล้วไม่ต้องการสอนขายเป็นปฏิเจ ก, กพุทธะสมาสัมพุท ธ, ธปะปัิเจ ก, กพุทธะสาวกพุทธะอนุพุทธะแล้วก็สุตตพุทธะ คือฟังสิ่งไรแล้วเกิดความเข้าใจเกิดภาวะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นทันทีเป็นสุดาพุทธะแล้วจะเห็นว่าพุทธะจะมีหลายประเภทเราก็ต้องเคารพพุทธะในในใจของเราเองคนมีพุทธะอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาให้เป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ขนาดไหน นะขึ้นอยู่กับความสามารถความศรัทธาของเรานั้นเครื่องมือในการพัฒนาพุทธะตรงนี้ให้สมบูรณ์ก็มีแค่ห้าอย่างที่ว่ามาวันก่อนคือนหนึ่งศรัทธาสองความเพียริริยสามสติ4 ส, สมาธิห้านี่คือเครื่องมือในการในสร้างพุทธะองค์นี้ให้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนะต้องมี5อย่างนี้ถ้าไม่มี5้าอย่างนี้สร้างไม่ได้ศรัทธาิวียสติสมาธิปัญญานะ นั่นแล้จะเห็นว่ า, าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากเนะพวกะเขาจะได้มาพบเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งกิโชมนุษย์ส ป, ปรีละโบกการเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดท่านเปรียบเสมือนว่าในทะเลแห่งหนึ่งมีห่วงยางห่วงหนึ่งแล้วในทะเลนี้มีเตา่าตัวหนึ่งเต่าทองคำร้อยปีเต่า ต, ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือทะเล ท้าเมไรหัวมันเป็นตรงกับห่วงยางที่ลอยอยู่กลางทะเลนี่นะเมื่อนั้นมนุษย์เกิดหนึ่งคนโอ้โหมันยากอะไรจะขนาดนี้เขาเปรียบเทียบว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสองกิจฉั่งมัจจานะฉีวิีต่างเกิดมาแล้วจะอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีทุกข์เลยเนี่ยก็เป็นของยากสามกิจฉั่งสัตวธรรมสวนงังเกิดมาแล้วจะได้ฟังอะไรที่เป็นอาจเป็นธรรมฟังแล้วเข้าใจสามารถรุดลัทธัดทุกข์ได้ก็ยากอีก สี่กิโฉพุทธานมุปปโทการเกิดขึ้นพุทธภาวะในใจของเราอย่างสมบูรณ์แบบยากคือุธภาวะที่มันจะอุบัติอย่างสมบูรณ์นี้นะมันยากแต่เราต้องสั่งสมทีละนีด้ด้วยเกิดอุบัติพว่ขึ้นมาเป็นพุทธานี่ยากนอกจากสมสัยสมพุทธานะดังนั้นว่าเป็นเช่นนี้ก็เรื่องของมรรคผลจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง จนกว่เราจะเปิดดวงตาดังนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในสมัยนั้นถ้าหาว่าใครเปิดดวงตาทําได้ท่าว่าธรรมะจักษุได้เนี่ยท่านก็พอใจละเพราะได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรคือเห็นตัวเองเห็นตัวเองคิดเห็นตัวเองรู้สึกเห็นตัวเองอย่างไรก็เห็นพอเห็นตัวเองแล้วมันก็จะไม่เห็นแค่นั้นละมันจะอยากจะให้ตัวเองดีอยากตัวเองไม่มีทุกข์ อย่ากตัวเองมีความสงบอยากตัวเองพัฒนามันก็จะหาทางแหละที่นี้จะทําไงให้ตัวเองไม่ทุกข์ทำไงให้ตัวเองหมดทุกข์ทำไงอะไรทําให้ตัวเองมันต้องทุกข์ทำอะไรทําไงอะไรทําให้ตัวเองต้องทรมานทําให้ตัวเองต้องวิบลำบากตรากตําเพราะอะไรแล้วก็ไปถอนเหตุมันออกอลำบากตรากตําเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ไปถอนตัวนั้นออก อันไหนที่จะทําให้เราหมดความลำบากต่างๆหมดความโลกกรุลงเราก็ไปทําตัวนั้นเท่านั้นเองดาวพุทธเจ้าท่านก็บอกสูตรมาเรียบร้อยว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นวิธีการดับทุกนันเองเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นวิธีการดับทุกไม่ใช่เห็นแสงสว่างอะไรเห็นวิธีการเออทุกมันจะต้อดับลงด้วยวิธีนี้แหละถ้าเราเชื่อมั่นอย่างร้อร์ซหมายความว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรม เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่ลังเละแล้วก็จะรักษาดวงตานี้ไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นทำใช่หรือเปล่านเนอะมันจะง่ายขนาดนี้ชื่อ อ, อะไรนะก็สแสวงหาทางใหม่ไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เรียกว่าตา ก, ก็ยังมืดบอดต่อไปอีกเพราะความหลังเละสงสัยนะดังนั้นก็ความเชื่อมั่นสําคัญนะพอเชื่อมั่นแล้วมันจึะศึกษาหาวิธีเมื่อเริ่มศึกษาหาวิธีปั๊บมันจะค้นพบ สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆในการค้นพบในเองจนถึงที่สุดตรงแล้วเขาเรียกว่าการตัศรู้การตัศรู้คําว่าตัศรู้นี่ไม่จํากัดเฉพาะพระุทิเจ้าเนี่ยคนทุกคนคือหมายควารู้ถ้าถ้ารู้ชุดใหญ่ๆทีเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมะสมุนค่อยรู้ไปค่อยศึกษาไปค่อยฟังไปศึกษาไปปฏิบัติไปค้นพบไปเนี่ยตามลำดับนี่ว่าสาวกพุทธะอนุพุทธะสุตพุทธะนะดังนั้นเองก็อย่าไปท้อถอย นะถ้าระอยากเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ก็ทําไปเรื่อยๆค้นหาไปว่าตัวเรานี่มีอะไรดีตัวเรามีอะไรไม่ดีค้นหาอยู่ยงั้นแหละตั้งแต่หัวจุดถ้าค้นหาทุกวันทุกวันมันต้องเชื่อเจอคําตอบอยันได้น่ะเว้นแต่เราอไม่มีวาสนาต้องใช้คํานี้ <laughs> ไม่มีวาสนาไเพราะว่าเขาไปเปิดตาเขาไม่ยอมเปิดฉนั้นจะหลับไปจังเนี้ยมันสบายดีเงีย อะไรนี้ก็อันนี้เราไม่มีวา ส, สนาที่จะเปิดตาก็หลับต่อไปก็มีเยอะอยู่นะทั้งนั้นในเย็นวันนี้เราได้ฟังท่านสงบทวัดมีว่าเออนี่ท่านสงบนะมีองหนึงท่านเออท่านสงัดนะอันนั้นท่านสวหังสอะอาดสวหังสงบมาช่วยกันทํางานก็เลยว่าพระที่ไปอยู่อนุมาถ้าาคนไหนไม่เอาไหนบอกเ๋ยไปอยู่พั่งโน้ น, นก่อนกแล้วกันเดี๋ยวเพิ่งอยู่วันนี้มันลำบาก อยู่ไปก็ลำบากก็บางทีก็เราก็สงสารเนาะที่เขาอยู่แล้ว เ, เขาเราไม่เขาไม่มีความสุ ข, ขเราแทนที่เราจะเราสงสารเขาเนาะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขอย่าอยู่เลยนะแต่ความสุขในที่นี้หมายว่าไม่ได้หมายถึงว่าความสุขเพราะได้อยู่เฉยๆนะความสุขเพราะทํางานแล้วไม่ทุกอย่างท่านสงท่านสงบว่าไม่มีความสุขเดินทั้งวันก็ไม่ทุกถ้าความสุขแบบนี้อยู่แล้วมีประโยชน์ แต่ความสุขไม่ต้องทำอะไรกินๆ น, นอนๆพูดคุยกันผ่านไปวันๆความสุขแบบนั้นเป็นความสุขที่ทำลายตัวเองนะเราจะไม่เอาความสุขแบบนั้นความสุขที่ที่เกิดจากทำตุนให้ไร้สาระเนี่ยไม่มปีประโยชน์แต่ว่าทำสิ่งที่เป็นสาระแล้วมีความสุขนี้อ่ะยังนี้ถือว่าเป็นความสุขที่ถูกต้องนะ เพื่นก็ขออนมโทนาสาธุที่เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีๆซึ่งเราถ้านอนอยู่กับบ้านก็จะไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะจะขอให้การสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นแสงสว่างนำทางให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ